ส่วนประกอบสำคัญที่พึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งภายในหลักทั่วไปแห่งการปฏิบัตินั้นซึ่งช่วยให้เห็นลักษณะพิเศษของวิปัสนาที่แตกต่างจากสมถะชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการเป็นองค์ธรรมที่จะช่วยให้เกิดปัญญาจึงมีความสำคัญมากสำหรับวิปัสนาส่วนในฝ่ายสมถะโยนิโสมนสิการแม้จะช่วยเกื้อกูลได้ในหลายกรณี